ที่อเมริกามีเศรษฐีคนหนึ่งนะเป็นข่าวดังเพราะว่าแกร่ารวยมากนะแต่ว่าแกบริจาคลายได้ของแกเนี่ยเพื่อสาธารณกุศล์เป็นเงินรวมไปแล้ว3าปีที่ผ่านมาก็เกือบส0 0แสนล้านบาท 1,500 ดัดอลลาร์า500ล้านดอลลาร์แล้วก็ไม่ค่อยไม่เป็นการช่วยเหลือส่วนรวมโดยที่ไม่ประกาศตัวเท่าไหร่แกก็ทำมาเงียบๆนี่น ม, มา เกือ30ปีแนละ้วมีคนใจดีหลายคนที่เราได้ยินชื่อนะว่าเขาบริจาคเงินเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสาธารณกุศลอย่างยูเก่ก็รวยมากแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่บริจาคเงินมากมายเพื่อสาธนณประโยชน์แต่ว่านายชักฟินเน่มมเนี่ยนนะทำเงียบๆเขาเรียกอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ปิดทองหลังคาปิดทองใต้ฐานพระทำมา30ปีเงินที่บริจาคก็มาหาศาลมาก แต่นี่ชีพาขายของขายสินค้าในร้านปลอดภาษนะีก็ไม่ได้เชื่อเนี่ว่ า, าธุรกิจนี้ก็ทำไรายได้ให้กับถึงแม้ใช้น้อยกินน้อยนะแต่ว่าหามากก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้หามากเพื่อเอาเข้าตัวเองแต่เป็นการหามากทำมากเพื่อไปช่วยร่วมร่วมเดีอยนี้เราต้เข้าใจว่าสันโดรนนี่ก็คือว่าพอเพียงคือทางานอย่างพอเพียงพอเพียงก็หมายความว่า กินน้อยใช้น้อยก็เลยทาน้อยไปด้วยเดินหนึ่งใช้3ามพันบาทก็หาแค่3ามพันอ่าแล้วเวลาที่เหลือทําอะไรเวลาที่เหลือก็นั่งเล่นนอนเล่นอันนี้ไม่ใช่สันโดษมัาานก็จศาสนานะตอนเดินตอนเดิาานมันศาสนาเนี่ยต้องการสามพันแต่ว่าอาจจะหาเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้แต่ว่าที่หามาได้ไม่ไดเอามาคนเกลือตัวเองแต่ไปช่วยเหลือส่วนรวมเช่นไปทําบุญสมัยก่อนก็สร้างว่าสร้างว่าอย่างอ น, นาธิปนิกา เศรษฐีเนี่ยรวยมากแต่ว่าเงินส่วนใหญ่ที่หามาได้ก็ไม่ได้เอามาเอาใช้เลี้ยงตัวเองเท่าไหร่แต่ไปช่วยเหลือส่วนรวมตัวเองก็อยู่ง่ายกินง่ายแต่ก็ไม่ลําบากขัด ส, สนนะมีเศรษฐีในในกรุงสอถีบางคนนี่หาไม่ได้เยอะแยะแต่ว่ากินอยู่อย่างระเบียบกษียณกินข้าวปลายหักแต่งตัวมอซอแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงลูกหลานให้มีความสุขเลยคืออย่างนี้เราเป็นคนตันหนี เราไม่ใช้วิสัยของของเศรษฐีในพุทธศาสนาอาจารย์ินทิกาเนี่ยหามาได้เยอะแยะแต่ว่าใช้น้อยเลี้ยงตัวให้มีความสุขแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานบริษั ท, บ ร, ษทบริวารให้มีความสุขไม่อาจจค้าขายแข่งแต่ก็ไม่ได้ผลเปอร์ฟุ้งเปอร์นะหรือแล้วก็ช่วยเหลือบำรุงพระพุทธศาสนานะสร้างวัดเขตตะวันขึ้นมาอันนี้คือการสันโดษที่แท่นะสันโดษที่แทนะ่ก็คือว่า กินน้อยใช้น้อยแต่ว่ามีความเพียรมีความขยันหมั่นเพียรไม่ใช่ว่ากินน้อยใช้น้อยแล้วก็เลยทำน้อยพอทําน้อยแล้วก็เวลาว่างที่เหลือก็นั่งเล่นนอนเล่นอันนั้นไม่ใช่สัสนโดษใพุทธศาสนาะเพราะว่าขาดความเพียรความเพียร น, นี่หมายถึงว่าอาจจะมาถึงการขยันทํามาหาเงินก็ได้หรือทํามาหากินแต่ว่าไม่ได้อําเงินนั้นเนี่ยไปผลเปิดตัวเองแต่ไปช่วดละส่วนรวงหรือขยันไปเป็นจิตอาสา ไปช่วยเหลือส่วนรวมด้วยน้ำพักน้ำแรง <c oughs> อย่างก็มีหลายคนที่มีความสามารถเ้าก็ทํามาหาเงินก็นิดหน่อยแล้วที่เหลือเขาก็ไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้คนอาทิตย์ละสามวันบ้างอาทิตย์ละสี่วันหรืออาทิตย์ละวันบ้างอันเสรจทีกว่านี้เนี่ยก็น่าสนใจที่นอกจากสันโดลแล้วก็เป็นคนที่รู้จักใช้เงินเพื่อส่วนรวมคือไม่ได้เอาเงินไปหวานแห่เพื่อช่วยเหลือคน โดยที่ไม่ได้ใช้สติปัญญาพิจารณาแต่ก็ตั้งมูลนิธ่ขึ้นมาแล้วก็มูวนิธินี้ก็ทำหน้าที่ส่งเสริมบำรุงด้านการศึกษาด้านสาธารณาสุขด้านวิทยาศาสตร์รวมทังด้า น, าน ส, ส, สิทธิประชาธิปไตยด้วยคือการช่วยคนเนี่ยถ้าช่วยไม่เป็นนี้มันก็สร้างสร้างความทุกข์ได้กันนะหรือว่าสามารถทำให้คนที่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยเสียผู้เสียคนได้แต่ถ้าช่วยเป็นจะเกิดประโยชม ก็มีเรื่องเล่านะว่ามีคุณยายคนหนึ่งเนี่ยนะแกมีอาชีพขายขนมขนมไทยนะเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยนิยมขนมไทยเท่าไหร่ลูกค้าแกก็เลยน้อยแล้ววันหนึ่งก็มีคนชายหนมหน้าตาดีนะเห็นแกแล้วสงสารก็เลยมาซื้อของกับแกฟักเงินให้ยีสบาทแล้วก็หยิบขนมไทชิ้นหนึ่งไปหอ่อเสร็จแล้วก็พอซื้อพอได้เสร็จก็เดินออกไปเลยโดยที่ไม่สนใจเงินทอนแกก็ทำนี้อยู่เป็นอาทิตย์นะคุณยายก็ ได้แต่มองแกจนรับสายตาไปผ่านไปสองสามอาทิตย์ได้นะผู้ชายนี้นะก็ทำเหมือนเดิมวันหนึ่งมาถึงก็ฟักเงิน20บาทให้แล้วก็จิดถนนแล้วก็จะเดินหันหลังให้นะไม่เอาเงินพรบอกว่าคุณยายฟ้าหมู่เรียกว่าขนมนะชายหนุ่เมื่อว่นคุณยายไม่ต้องเกรงใจนะผมอยากช่วยยายเห็นยายลำบากยาย ก, ก็กาว่าเปล่าหรอกยายแค่อยากจะบอกว่า ขนมชิ้นนี้มันห่อ25บาทชายนุ่อยากช่วยยายนะแต่ปรากฏว่ากลายเป็นการเบียดบังของ25่สิบานะแกก็กลับจ่าย20แล้วก็คิดว่าเออฉันทําบุญนะไม่เอาเงินทอนที่ไหนว่ายายขาดทุนมาตลอดเลยอันนี้เป็นความปรารถนาดีนะแต่ว่าเกิดโทษเพราะอะไรเพราะไม่ถามไม่ถามไม่หาข้อมูลว่าขนมมันราคาเท่าไหร่ในการช่วยนี่ก็เลยกลายเป็นการสร้างปัญหาเขาเรียกว่าทําบุญบูชาโทษนะอันนี้เป็นสํานวนที่เดี๋ยวนี้ลื ม, มไปแล้ว ทำบุญบูชาโทษดังการช่วยเหลือเนี่ยอย่าเอาแต่ว่าใจดีปรารถนาดีแล้วก็ภูมิใจในความดีนะแต่ว่าต้องสอบถามหาข้อมูลให้ชัดหรือว่าคุยกับคนที่เราต้องการช่วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทํานี่เป็นการช่วยเขาไหมแล้ะเป็นการช่วยถูกวิธีหรือเปล่าต้องถามนะการพัฒนารัฐบาลเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเรียกว่าที่ผ่านมาก็ได้อยากช่วยชาวบ้านนะกเา็เอาโน่นเอานี้ไปให้แต่ไม่ได้ถามชาวบ้านว่าาต้องการจริงหรือเปล่ามันก็เลยไม่ได้ช่วยเขาเท่าไหร่ มันก็เสียไปมากมายแต่ว่าผลประโยชน์เกิดขึ้นมองอันนี้ก็เป็นแง่คิดสําสหรับพวกเราถ้าเราปวารตนาที่จะช่วยเหลืออันนี้ดีแล้วนะแต่ว่าต้องสอบถามต้องพูดคุยให้แน่ใจว่าคนที่เรากำการช่วยเนี่ยเขาต้องการจริงๆหรือว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นการช่วยก็จริงๆเอาล่ะเตรียมรับร